อันนี้ก็ต้องสันนิฐานดูอะไรอะไรมันต้องอยู่ที่ความสันนิฐานนะนั่นแหละถ้าบุคคลไม่สันนิฐานแล้วมันจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมะแต่ละข้อละข้อ สิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัใจจัยในโลกสันิวาตอันนี้นะมีเหตุทั้งนั้นเลยอันมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นอยู่ในโลกอันนี่ไม่เหตุหนึ่งก็เหตุหนึ่งมันบันดาลให้เกิดขึ้นเช่นต้นไม้ใบหาญา้าใดมูนี้ถึงไม่มี จิตวิญญาณครองแต่มันก็มีปัจจัยปรงแต่งให้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ปัจจัยของต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้เป็นต้นนั้นอาศัยแต่เพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้มันปองรองสามัคคีกันอยู่ตรงไหน มันได้สัตว์ได้ส่วนกันพืชต่างๆมันก็เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันแตกต่างกันจากพืชต่างๆเหล่านั้นเพราะมันมีจิตครองรูปร่างอันนี้นะนั่นแหละจิตนี้มันจะมาเกิดเองไม่ได้ มันมาด้วยอำนาจแห่งบุญและบาปหรือมาด้วยอำนาจของกีเลศเช่ น, นความโลภความโกรธความหลงต่างๆหมดนี่นะเนื่องจากว่าจิตใจไปยึดถือเอามันไว้แล้วมันจึงนำดวงกีดลิมา ปฏิสนธิในธาตุของมารดากับบิดาตกแต่งให้เกิดเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายขึ้นมาเราต้องพิจารณาให้รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ไม่ใช่นั้นแล้ว มันก็จะเข้าใจผิดไปต่างๆเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญและบาปหรือว่ากิเลส ต, ตัวนี้เนะี่ยเป็นเหตุให้คนเราทำบุญบ้างทำบาปบ้างนี่นะบุญบาปนั่นเป็นตัวกรรมนำดวงกีจที่มาเกิดในรูป ก, กายอันนี้ สิ่งที่มาเป็นปัจจัยที่มาปรุงแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงมันสิ่งใดถ้ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปหลงมันทาไมจะไปยินดีพอใจกับ ของที่ไม่เที่ยงทำไมก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอธิบายอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นชำนาญในการเข้าสมาธิมาแล้วฉลาดตั้งจิตใจตัวเองให้มั่นอยู่ในปัจจุบันแล้ว เมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ต้องพิจารณาอย่าไปสงบอยู่เฉยๆถ้าไปสงบสงบอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้แจ้งในขันหานี้ามเป็นจริงว่าที่จริงแล้ว จิตนี่มันก็มาหลงนามกับรูปนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรโลกทั้งโลกอันนี้มันก็มีนามกับรูปนี้เท่านี้เท่านี้เองเนี่ยสรุปลงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> รูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตา <c oughs> รูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาทุกอย่าง <c oughs> สิ่งใดที่มองเห็นด้วยตาแล้วสิ่งนั้นแหะท่านสมมุติว่ารูปจะเป็นรูปหยาบรูปปรานกลางรูปรละเอียด รูปปนีอย่างไรก็ตามก็รวมเรียกว่ารูปทั้งนั้นแหละส่วนนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ด้วยใจอาศัยกายกับจิตนี่สัมผัสกัน แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาท่านเลยแยกออกเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นวิญญาณบ้างจิตที่สวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้าง อันนี้ท่านเรียกว่าวิธนาอันนี้เรียกว่าวิธนาห้า <c oughs> ความจำได้หมายรู้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเครื่องสัมผัสต่างๆได้มูนีท่านเรียกว่าสัญญา มันเป็นบัญญัตทิที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น <c oughs> ความคิดความนึกในใจที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างความคิดดังกล่าวมานี่ท่านเรียกว่าสังขารความรู้สึก ในอารมณ์ที่รูปมากระทบในตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบลิน้นเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายเ่านี่ท่านเรียกว่าวิญญาณ หรือทรอารมณ์อารมณ์ทั้งห้านี่ไปกระทบใจเข้าเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณอันวิญญาณนี่เกิดจากสัมผัสเหล่านี้เองเนี่ย <c oughs> ให้พึงสันนิฐานดูให้รู้ให้เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เมื่อมันเกิดขึ้นโดยอาศัย ความกระทบกระทั่งดังกล่าวมานี่ได้มันก็ดับได้มันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปในเมื่อมันมันอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงแล้ววิญญาณนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต้องให้สันนิษฐานอย่างนั้น <c oughs> อันนี้แหละ อันท่านเรียกว่านามธรรมานะมีอยู่อาการมีอยู่สี่อย่างคือมันเป็นอาการของจิตทั้งสี่อย่างนี้นะเกิดจากกายขับจิตกระทบกันอันนี้เรียกว่านามธรรมามีแต่ชื่อ ไม่มีรูปร่งต้องให้เข้าใจอย่าไปหลงมันเพราะว่าดวงใจอันนี้มันมาหลงนามมาทำนี้ด้วยหลงรูปธรรมด้วยมันถึงติดถึงข้องอยู่ในรูปกับนามนี่แหละมันหลงคำหนัดอินดีสำคัญว่า เป็นของตัวของตนสำคัญว่าสวยว่างามสำคัญว่าเป็นของคู่ควรแก่ตนของตนเลยเกิดความรักความหวงแหนไว้ไม่คิดที่จะปรงจะวางเลยคนที่ไม่นั่งสมาธิภาวนา นั่นแสดงว่าไม่คิดที่จะปรงจะวางขันห้านี้มีแต่ยึดแต่ถือเอาไว้ผู้ใดขยันหมั่นเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาแสดงว่าผู้นั้น่ะเห็นโทษเห็นทุกข์ในขันทั้งห้านี้แล้วก็เห็นโทษแห่งความไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในขันห้านี้ ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์มันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเมื่อไม่รู้แจ้งในขันห้านี่แล้วมันก็ยึดถือเอาขันห้านี่ไว้เมื่อเมื่อขันห้านี่มันแปรปรวนไปจิตเกาะแปรไปตามวันไว้ไปตามมันจึงได้เป็นทุกข์นี่แหละอันจิตใจที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะมันวันไวกับขันห่านี้เองเนี่ย ไม่ใช่อื่นไกลนอกจากวันไว้กับขันห้านี่กับวันไว้กับขันภายนอกนนด้วยมเมื่อไปเห็นขันภายนอกนนซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามเมื่อเขาประดับตกแต่งร่างกายสวยสดงดงาม ม, มีตุ่มหูสายสร้อย เวีนเพชรผ้านุ่งผ้าห่มกระ ช, ช, ชูดชัดพอเห็นเข้าแล้วก็เลยสำคัญว่าสวยงามไปเลยบันนี้เนื่อนะงจากการประดับตกแต่งไม่ได้พิจารณาไอ้ลูกที่ผ้านุ่งผ้าห่มหุ้มห่ออยู่นั่นนะ่ะ ไม่ได้พิจารณาคนคว้าให้ละเอียดถี่ทุวนไปมองเอาตั้งแต่เครื่องประดับภายนอกนี่เลยสำคัญว่าสวยว่างามคนผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญวิปัสนามันถึงได้ติดได้ค้องอยู่ในโลกอนี้เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทำการทำงานกมพ้นทนแดดทนทุกทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจอา้าทำการงานแล้วไม่บรรลุผลตามเป้าหมายคือไม่ร่ำไม่รวยไม่ได้เงินทองก็โทรมานัดหน้อยใจเมื่อไรทำอะไรไปถ้าผิดผิดหวังลงไปแล้วก็ทุกโทรมานัดขับแขนใจถ้าได้ มาร่ำรวยมาก็ดีอกดีใจถ้ามันเสียไปก็เสียใจเศร้าโศกได้อะไรมาแล้วมันจะยั่งยืนไม่มีในโลกอันนี้นะได้มาแล้วก็บริโภคไปใช้สอยไปก็หมดไปเมื่อไม่มีก็เป็นทุกข์เดือดร้อน <c oughs> นี่แหละจึงว่ามันไม่เที่ยง แท้ที่จริงแล้วมาหลงความรู้สึกอันนี้แหละ <c oughs> หลงความจําความหมายหลงความคิดความนึกตัวเองหลงความรู้สึกให้สังเกตดูให้ดีมันหลงอยู่เนี่ยหลงนามธรรมาหลงรูปธรรมเนี่ยนี่ <c oughs> ตาไปเห็นรูปเข้าอย่างนี้นะก็เกิดความรู้สึกขึ้นทางตาแล้ววันนี้มันก็ส่งไปถึงใจเมื่อใจเมื่อไม่รู้เท่ารูปไม่รู้เท่าตาก็เลยหลงรักหลงชังถ้าเป็นรูปที่โลกเขาสมมติว่าสวยงามก็หลงรักถ้าเป็นรูปที่เขาสมมุติว่า ที่ร้ายขี้เลยหรือว่าน่าเกลียดหน้าชังก็เกลียดก็ชังไปแม่เสียงกลิ่นรถเร่ิงสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อไม่ได้เจิญเจริญปัญญาไม่ได้แยกแยะไม่ได้พิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้นี่จิตใจหลงทางนั้นแหละหลงรักกับหลงชังนี่แหละ แล้วก็หลงเศร้าโศกเสียใจพิไล่ดำพันต่างๆเวลาของรักของชอบใจมาพัดพลากจากไปถ้าสิ่งใดที่เกลียดชังนั่นไม่เป็นไรอยากให้ตายวันยังคำ่ำถ้าเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีถ้าเป็นของใช้ก็โยนทิ้งไม่ปรารถนานี่แะจิตใจคนเราดีมันลำเอียง มันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันจึงพ้นจากโรกสงสารอันนี้ไปไม่ได้อันที่มันเอียงไปเอียงมานั่นแสดงว่ามันยึดถือแหละถ้ามันไม่ยึดถือแล้วมันไม่เอียงมันก็ตั้งตัวเป็นกลางอยู่อย่างนั้นแทนที่มันเอียงไปเอียงมานั่น ก็มันยึดถือแหละ <c oughs> ดังนั้นการภาวนาท่านจึงฝึกสอนให้มีสติเข้มแข็งน้อมสติเข้าไปภายในไปควบคุมจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่เป็นกลาง <c oughs> ทีแรกนี่ก็เข้าไป ค, ควบคุมอยู่เฉยๆ เ, เนี่ยยังไม่ใช้ปัญญาอะไรก่อนให้มันตั้งมั่นอยู่เป็นปกติอยู่เฉยๆ เ, เมื่อรู้สึกว่าจิตที่มันตั้งได้แล้วมันไม่วอกแวกไปตามสัมผัสความถูกต้องต่างๆอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็จึงหัด คิดหัดพิจารณาหัดพิจารณาขันห้านี้แหละดังอธิบายให้ฟังมานั่นนะเพราะว่าทุกคนนั่นยากนะที่จะรู้แจ้งในขันห้านี้ถ้าไม่ถ้าไม่ทาจิตให้สงบจิตไม่ผ่องใสขึ้นในปัจจุบันนี้ก่อนจิตไม่หยุดคิดหยุดนึกส่งสายไปภายนอก เช่นนี้นี่รู้ไม่ได้ถ้าต่อเมื่อจิตหยุดคิดทุ่งสร้างภายนอกมันสงบอยู่ภายในมีสติสัมปชัญญะตั้งลงในตรงจิตนี้นั่นแหละจึงจะรู้ถึงจะเข้าใจลักษณะอาการของขันห้านี้ได้ตามเป็นจริง ใน่เช่นั้นแล้วจะรู้ไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้มันก็ยึดถือหวงแหนอย่างที่ว่ามานั่นแหล ะ, ะใครมายกโทษตีเตียนด่าว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้แล้วลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทั้งนี้ก็เพราะมันหวงนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับ มดส้มมันห่วงรังของมันนั่นนีะเมื่อมีคนไปแตะต้องนี่มันก็โผล่ออกมาจากรังของมันมาต่อสู้กับคนหรือกับศัตรู <c oughs> มันจะไม่ยอมไปให้ไปทำลายรังของมันเลยแม้มันจะตายก็ไม่ถอย หรือมิฉะนั้นก็อย่างพวกต่อพวกแตนพวกพึ่งหมุนี่แหละมันหวงแหนรังของมันหากคนจะไปเอารังของมันน่ะมันจะรุมกันจี้ใช่ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยดวงกีดนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในขันห้านี้แล้ว มันก็เลงืงหลงถือว่าเป็นของเราเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อมีใครเขาด่าว่านินทาก็นึกว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาเยียดย้มดูหมิ่นเรามีแต่เราทั้งนั้นแหละซึ่งจะมองเห็นว่าเออในเขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหาก เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่ได้มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมมันนี้ตัวของเราไม่ได้มีอยู่ในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะพูดง่ายง่ายเพราะฉะนั้นใครจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปใครจะนินทาว่าไราก็ว่าไปเพราะว่าเราเนะี่ยมันเป็นทุกข์กับมาห่วงเห็น รูปนามอันนี้มานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วบบดนี้เราเรารู้แล้วเราจะปรงวางลงตามสภาพใครจะสรรเสริญนินทาอย่างไรก็เอาเถิดไม่ว่าคนจริงนะ่ะต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้ไปแต่ยังไม่ได้รับคำสรรเสริญและนินทานี่นะสอนใจไปให้มันรู้แจ้งในใจอย่างนี้ สอนไปเรื่อยๆแหละจนว่ามันชำนิชำนาญจนมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องนี้เมื่อมันเกิดความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องเช่นนี้แล้วเมื่อมีเหตุอย่างว่านั้นกระทบกระทั่งมามันก็ไม่วันไหวแบบนี้ น, นั่นี่มันก็รู้ชัดทันทีว่าเขาไม่ได้ว่าแล้วเนาเขาไม่ได้ทำเรา เราไม่ได้มีอยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจไม่มีทั้งนั้นแหละเราเขาไม่มีอยู่ในเนี้ยมันเมื่อมันชำนิชนานาญพิจารณาอย่างนี้แล้วพอเรื่องเช่นนั้นมาถึงเข้ามันก็ปฏิเสธไม่ไม่มีเขาไม่ใช่เราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้ยกโทษตีเตียนเรา อย่าไปโกรธเขาอย่าไปตอบโต้มันปล่อยให้มันดับไปเองมันสิ่งใดได้เมื่อมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันถึงเวลามันก็ดับไปเองมันเราไม่ต้องไปบังคับให้มันดับมันดับเองมันก็ต้องรู้อย่างนี้ ก็ต้องสอนใจของตนอย่างนี้คนเรานะส่วนมากไม่ฉลาดสอนใจตัวเองไม่อยากสอนซ้ำนะความขี้เกียจขี้คลั่นนะความไม่เอาใจใส่มีแต่ปล่อยตนไปตามยถากรรมเรื่องดีมากับถึงเข้าก็ยินดีไปตามพเพลินไปตาม ถ้าสิ่งใดที่ตนปรารถนาเกาะอยากได้รีนล่อนแสวงหาแม้มันจะเป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าเมื่อสิ่งใดที่ตนเกลียดชังไม่ต้องการก็เบื่อนายอยากจะปัดมันออกไปจากตนให้พ้นพ้นไปไม่ต้องการอยากพบอยากเห็นมันเลยอืม ไอความรู้สึกแนละ้วมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันลองสังเกตดูสิมันจะมีความสุขหรือจิตใจเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างเนี้ น, นี่มูนี้มันต้วนแต่ต้องมีอุบายปัญญาสอนเข้าไปเรื่อยๆแหละก็ยังว่าจิตที่มันจะละเอะเเทงทุกข์ได้มันละด้วยได้ด้วยอุบายปัญญา ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันละได้เองไม่มีทางการทำใจให้สงบลงนั่นมันก็เป็นได้เพียงว่าไปไปกบอันกิเลสไว้เท่านั้นเองนะไปครอบกิเลสไว้ไม่ใช่ว่าเป็นการละกิเลสหรือว่าไปข่มกิเลสไว้เท่านั้นเองหรอก <c oughs> ท่าด้ตอนที่จะขับไล่กิเลสออกจากดวงขีดนี้ได้ก็โดยอาศัยอุบายปัญญาต่างหากเรามีอุบายปัญญาสอนตนเข้าไปเหมือนอย่างพระจักขุบาลนนะ่ะที่เคยนำมาแสดงให้ฟังอยู่ท่านเจ็บตาปวดตาญ า, าติโยมก็เชิญหมอมากรวด หมอก็ถวายยาให้หยอดแต่ท่านไม่นอนหยอดเพราะว่าท่านสมถทานไม่ไม่นอนแล้วท่านนั่งหยอดเมื่อไปบินสบาสดแพทยถามว่าเป็นยังไงตาของท่านท่านก็ไม่ตอบ แล้วหมอก็ไปสันนิฐานบันนี้เข้าไปในวัดก็เห็นแต่ที่นั่งไม่เห็นที่นอนแสดงว่าท่านนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบินธบาตอีกท่านหมอก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่นอนหยอดตาตานี้จกไม่หายก็ผมก็จะงวด ถวายยาแก่ท่านเมื่อท่านพระจักขุบาลได้ยินหมอพูดอย่างนั้นแล้วก็สอนตัวเองเตือนตัวเองไปเรื่อยแล้วบัดนี้นะดูก่อนจักขุบาลบัด น, นี้หมอทอดทิ้งท่านแล้วนะท่านอย่าประมาทโลกสันิวัตอันนี้หาที่พึ่งไม่ได้หรอก จะไปพึ่งสิ่งอื่นใดไม่ได้ไม่มีมันต้องพึ่งตัวเอง <c oughs> <c oughs> การพึ่งตัวเองนี่หมายความว่าพึ่งความรู้จริงอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะไปพึ่งวัตถุสิ่งอื่นไม่ได้รูปใดนามใดก็มันมีไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืงน มันยังมีตาก็พึ่งตาไม่ได้ตลอดไปอย่างนี้จู่ๆแล้วตาก็บอดเข้าไปเจ็บเข้าไป <c oughs> ทั้งเจ็บทั้งเกิดทุกขเวทนาท่านก็สอนใจตัวเองเข้าไปนี่แหละโลกสนิวัตอันนี้เราจิไปคิดพึ่งหวังพ่อแม่พี่น้อง จะไปหวังพึ่งหมอหยุกหมอยาก็ไม่ได้จะมาหวังพึ่งขันทั้งห้าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละองค์มันเสียวางมันเสียอย่าไปถือมันสำคัญว่าเป็นของเราท่านสอนตัวเองไปโดยลำดับพอถึงวันปรวรณา ตาของท่านก็แตกออกไปมืดบอดแต่ว่าใจของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็อาสวะก็สิ้นไปจากดวงกีจของท่านอย่างนี้แหละลองฟังดูซิประวัติของพระปุวิเศษทั้งหลายที่ท่านบําเพ็ญมาแล้ว นั่นแหละจึงว่าโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบดังกล่าวมา